ตอนที่แปดสี่มาปล้นเงินงั้นเหรอจะว่าไปแล้วหากคราวหน้าฉันอยากจะติดต่อคุณอีจะติดต่อได้อย่างไรเราสองคนคงไม่เจอกันพระพรหมลิขิตอย่างเดียวหรอกนะนิงชังเหอไม่ลืมทุระสาคัญในครั้งนี้เขามักจะรู้สึกว่าหากไม่รู้ที่อยู่ของแม่หนูน้อยคนนี้ในใจของเขาก็จะรู้สึกกระวนกระวายและไม่มั่นคงฉันพักอยู่ที่เขตบ้านพักทหารค่ะหลหวันกล่าวเสียงเบา วันหลังถ้ามีธุระจะติดต่อฉันก็ไปที่ป้อมยามของเขตบ้านพักทหารแล้วบอกชื่อฉันได้เลยค่ะถึงตอนนั้นจะมีพลทหารยามมาบอกฉันเองอออได้เลยตอนแรกหนิงฉางเหอก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกติจนกระทั่งเขาเพิ่งจะนึกขึ้นได้ป้อมยามเขตบ้านพักทหารแม่หนูน้อยคนนี้เป็นคนในครอบครัวทหารนี่นาต้องรู้ก่อนว่าทหารธรรมดาทั่วไปย่อมไม่มีสิทธิพักอาศัยในเขตบ้านพักทหารคนที่พักในเขตบ้านพักทหารได้ล้วนแต่เป็นระดับหัวหน้าอย่างน้อยที่สุดก็ต้องเป็นระดับรองผู้พัน นิงชังเหอสูดหายใจเข้าลึกอดไม่ได้ที่จะอุทานออกมามีหน้าเล้วถึงได้มีลูกสาวที่ฉลาดเฉลียวขนาดนี้ที่แท้พ่อแม่ก็ไม่ธรรมดา น, นี่เองหลังจากหลีวันเดินออกจากร้านเธอตั้งใจจะกลับบ้านโดยตรงวันนี้ตอนออกจากบ้านเธอได้ขออนุญาตคุณย่าไว้แล้วว่าเมื่อธุระเสร็จก็จะรีบกลับบ้านทันทีตอนนี้ในมือของหลีหวันเริ่มมีเงินเก็บอยู่บ้างแล้วเธอคิดอยากจะให้เงินต่อเงินการปล่อยให้เงินนอนนิ่งอยู่ในมิติเฉยเฉย่ฉยยอมไม่มีผลกําไรใดๆ อสังหาริมทรัพย์และที่ดินในเมืองจริงทองคำเฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอุตสาหกรรมที่รักษาคูณค่าได้เป็นอย่างดีในอนาคตเมื่อสังคมพัฒนาขึ้นเงื่อนไขทางเศรษฐกิจจะดียิ่งขึ้นเรื่อยๆขอเพียงสามารถคว้าโอกาสนี้ไว้ได้หลิหววันคิดว่าเธออาจจะได้เป็นเศรษฐีตัวน้อยๆเลยก็ได้แน่นอนว่าอาชีพหลักคือการรักษาคนช่วยชีวิตส่วนอาชีพรองคือการทําธุรกิจเป็นนักลงทุน เมื่อคิดได้เช่นนี้ลิวานจึงตั้งใจจะเก็บเงินให้มากขึ้นอีกหน่อยเพื่อที่จะไปซื้อที่ดินในภายหลังหากลงมือตอนนี้อีกไม่กี่ปีข้างหน้ามูลค่าของที่ดินจะพุ่งสูงขึ้นเป็นเท่าตัวหลหวานเดินไปได้ครึ่งทางจู่ๆก็รู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเหมือนมีคนกำลังเดินตามหลังเธอมาหลหวานเดินไปพลางหันขอบไปมองอย่างรวดเร็วแล้วก็เห็นเงาร่างหนึ่งวูบผ่านไปจริงๆเธอถูกสะกดรอยตามนั้นเหรอ เพื่อหลีกเลี่ยงการแหวกย่าให้งูตื่นหรือหวานจึงทำเป็นไม่พบเห็นสิ่งใดและเดินมุ่งหน้าไปยังเขตบ้านพักทหารต่อไปหากเธอเดาไม่ผิดเธอคงถูกจับตามองตั้งแต่ตอนที่เดินออกมาจากร้านแล้วหรือว่าเธอจะมองคนผิดไปหนิงชังเหอไม่ใช่คนดีงั้นเหรอแต่พอนึกอีกทีก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้หากหนิงชังเหอคิดจะวางแผนเล่นงานเธอจริงๆเขาควรจะทตั้งแต่คราวก่อนแล้วไม่จาเป็นต้องรอมาจนถึงตอนนี้ ลิวันเห็นว่าข้างหน้าเริ่มมีคนทุกพ่านเธอจึงแ้งวิ่งเหยาะๆแล้วรีพันไปหลบอยู่ที่ปากปลอกทันทีลิวันกลั้นหายใจและเฝ้ามองออกไปข้างนอกอย่างระมัดระวังเป็นไปตามคาดหลังจากที่เธอหลบซ่อนตัวแล้วก็มีชายสองคนวิ่งตามมาคนละ่ะใหญ่เด็กนั่นวิ่งไปไหนแล้วหรือว่าบ้านของนางจะอยู่แถวนี้เทวเวยแกมาถามข้าที่นี่แล้วข้าจะไปรู้ได้ยังไงคราวนี้สวยแน่ตามคนไม่ทันแล้วจะกลับไปรายงานเท่าแก่ยังไง ชายร่างเตีย้ยสบถ อ, ออกมาอย่างหัวเสียมือทั้งสองข้างเ้าเสเอวสายตาคอยกวาดมองไปรอบๆเด็กนั้นคงไม่ได้ไหวตัวทันหรอกนะจะเป็นไปได้ยังไงแล้วจะทํำยังไงดีชายคนนั้นขยี้ผมด้วยความหมงุดหงิดหรือว่าเราจะกลับไปบอกเท่าแก่ว่าจัดการคนเรียบร้อยแล้วโง่เท่าแก่ไม่ได้สั่งให้เราจัดการค น, นเขาให้เราพาตัวไปสั่งสอนให้เข็ดหลับต่างหากทําแบบนั้นแกก็กลายเป็นฆ่าตกพอดีสิ ลิวันฟังจนพอจะจับใจความได้พวกเขาไม่ใช่คนของหนิงชังเหอจริงๆด้วยหนิงในนั้นดูเหมือนจะเป็นคนที่เคยมาส่งของให้เท่าแก่หนิงคราวก่อนคนที่สินค้าของบ้านเขามีปัญหานั่นเองดูเท่าว่าเธอจะถูกจับตามองตั้งแต่คราวนั้นแล้วเพียงแต่ในช่วงที่ผ่านมาหลิวันไม่ได้ปรากฏตัวเลยไม่เพียงแต่เท่าแก่หนิงที่หาเธอไม่พบฝ่ายนั้นเองก็หาเธอไม่เจอเช่นกันลิวันรอจนกระทั่งทั้งสองคนเดินไปไกลแล้วจึงค่อยออกมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือต้องรีบปรับบ้านไม่สามารถเทนถลายอยู่ข้างนอกได้นานเกินไป เมื่อหลี่หวันคิดได้ดังนั้นเพิ่งจะเดินออกไปได้ไม่กี่ก้าวจู่จูก็ถูกชายสองคนที่เพิ่งพูดคุยกันเมื่อครู่ล้อมเอาไว้เฮอยเแม่หนูน้อยคนนี้ฉลาดไม่เบารู้จักสลัดพวกเราทิ้งด้วยแต่แกก็ยังไม่ฉลาดเท่าพวกพี่ชายหลอกนะแบบนี้เขาเรียกว่าเฝ้ารอคอยกระตายจะพูดมากไปทําไมรีบพาตัวไปส่งงานได้แล้วคิดไม่ถึงเลยว่าพวกมันจะย้อนกลับมาอีกครั้งหลี่หวานเสียเวลาไปไม่น้อยตอนนี้บนถนนจึงแทบไม่มีคนเหลืออยู่เลยแววตาของหลี่หวันวูบไหวฉันจําพวกแกได้ เือจำได้แล้วจะทําไมใครใช้ให้แกมาขัดขวางเรื่องดีๆของเท่าแก่พวกเราเหละ่าเด็กนี่ปากมากจริงๆชายคนนั้นด่าทออย่างไม่สบอารมณ์มันทุระอะไรของแกตอนนี้ทําให้เท่าแก่พวกเราต้องเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดแกจงตามพวกเรากลับไปรับโทษดีดีไม่อย่างนั้นข้าไม่รับประกันหรอกนะว่าแกจะกลับไปแบบครบ32หรือเปล่าทั้งสองคนคิดว่าการทําเช่นนี้จะข่มขู่หลีหว่านได้แต่ใครจะรู้ว่าเธอไม่ได้มีความเรงกลัวเลยแม้แต่น้อย หลหวานซุกมือไว้ในกระเป๋าสิ่งที่ปลูกไว้ในมิติไม่ได้มีเพียงสมุนไพยรักษาโรคเท่านั้นแต่ยังมียาพิษที่ใช้ทำร้ายคนได้อีกด้วยในมือของเธอเพลอกำโกเวนหรือที่รู้จักกันในชื่อยาทำลายลำไส้เอาไวแน่นมันสามารถทำให้ระบบประสาทเป็นอมพาสได้การจะจัดการกับเจ้าโมสองคนนี้ถือว่าเหลือเฟือพวกแกกำลังทำอะไรกันนะ ทันใดนั้นเสียงตวัดดังลั่นว่ามาหลีหวันหันไปมองตามสัญชาตญาณเห็นเจิงเซาเหิงขี่จักรยานมาขวางหน้าหลีหวันเอาไว้ทันทีพร้อมกับมองทั้งสองคนด้วยความระแวดระวังพวกแกกล้ารังแกน้องสาวข้าไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมน้องเป็นอะไรหรือเปล่าเจิงเซาเหิงรีพันมาถามไถ่สถานการณ์ของหลีหวันด้วยความห่วงใยไม่เป็นไรค่ะหลีหวันคลายฝ่ามือออกในเมื่อเจิงเซาเหงิงอยู่ที่นี่เธอคงไม่เป็นอะไรแล้ว เธอไม่สามารถนำยาพิษในมิติออกมาได้เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เขาเกิดความสงสยัยเจ้างเศร้าเหิงยืนยันว่าหลีหวานไม่เป็นไรจึงหันไปถลึงตาใส่ทั้งสองคนอีกครั้งพูดมาตอนนี้รูปร่างของเจ้างเศร้าเหงิงสามารถข่มขวัญทั้งสองคนได้เป็นอย่างดีพวกเขามองหน้ากันไปมาไม่มีใครกล้าลงมือต่อแถวนี้มีสถานีตำรวจอยู่ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่จาเป็นทั้งสองคนจึงรีบวิ่งหนีไป เจ้งเศร้าหึงรู้ซึ่งถึงหลักการที่ว่าไม่ควรไล่ตามโจรที่จนตลอกขอเพียงเขาสามารถปกป้องหลีหวันให้ปลอดภัยได้ก็พอแล้วส่วนเรื่องเมื่อครู่ค่อยระวังในคราวหน้าพวกมันต้องการอะไรกันแน่เจ้งเศร้าหึงส่งสั ญ, ญญาณให้หลีหวันนั่งซ้อนท้ายจักรยานพลางขงมวดคิ้วหรือจะเป็นพวกโจรเป้นทางอ้อหลีหวันไม่ได้อธิบายอะไรมากพวกเขาน่าจะเลยเงินในกระเป๋าของฉันมั้งคะเด็กอย่างน้องจะพกเงินติดตัวไปได้สักเท่าไหร่กันพวกมันคงจะจนจนบ้าไปแล้วจริงๆ เจ้งเศร้าเหิงไม่ได้สงสัยว่าหลังห้ามออกไปไหนมาไหนคนเดียวอีกถ้าจะออกไปต้องมีคนไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบวันนี้ขึ้นอีกจําได้ไหมจําได้แล้วคะหลีวันนพยักษหน้าหงึกหงักที่คขาเมื่อกี้โชคดีที่มีพี่อยู่ไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่รู้จะทํำยังไงดีเหมือนกันจะทำยังไงได้ละ่ะน้องไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันหรอกแน่นอนว่าพวกมันสั่งให้ทําอะไรก็ต้องทําตามนั้นเพื่อถ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดเจ้งเศร้าเหิงกล่าวต่อ ในเมื่อพวกมันเ็งเงินน้องก็แค่ส่งเงินทั้งหมดที่มีให้พวกมันไปสน้องต้องเข้าใจหลักการที่ว่าค่อยคิดบัญชีทีหลังอึมงๆแค่ฉันจะฟังที่พี่บอกหลีหวานตอบอย่างว่านอนสอนง่ายอย่างไรก็ตามในเมื่อสองคนนั้นหนีไปแล้วก็คงทำได้เพียงปล่อยให้พวกมันหนีไปเพราะไม่มีทางจับตัวได้เจ้างเศร้าหิงยังคงนาเรื่องนี้ไปบอกกับเจ้างวินชงเพื่อให้เขาคอยระมัดระวังความปลอดภัยของเสียวหวานในภายหลัง